<te prize> อธิษฐานสมาธิว่าตามข้าพเจ้ า, าร ะ, าละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ค <one Thema> ุณบิดามารดาค <one sujet> ุณครูบาอาจารย์ จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิงงาธพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ ให้นึกพุโทโธอยู่ในใจใจเราอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่หัวใจเราเอาสติมาตั้งลงที่ท่ามกลางอกให้ความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแล้วกับบริกรรมพุโทโธพุโทโธในใจพยายามทม ให้ตั้งใจทาตั้งใจฝึกหัดอบรมก็จะได้รับความสุขความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาที่ท่านทั้งหลายมาสู่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหายโศกก็ตั้งใจว่าก็มาฝึกสมาธิ ระวางธุระทุกอย่างครอบครัวบ้านเดือนลาหมดไม่สนใจสนใจแต่การพิจารณาหรือนึกอยู่ในใจตลอดนึกพุทโธพุทโธอยู่ในนั้นแหละใจเราถ้าตั้งเพียงตั้งมั่นอยู่กับพุทโธได้ ก็เรียกว่าเราสามารถทำสมาธิได้หรือทำสมาธิเป็นหรือยิ่งกว่านั้นให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะเวลาข้อเหลามันน้อยมันไม่ได้มากมายอะไรอายุมนุษย์นี่ร้อยปีเท่ากับวันเดียวของเทวดา ฉันดาวดึงเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่รีบปฏิบัติธรรมในตอนนี้หรือในโอกาสนี้เราจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ที่ไหนให้ตั้งใจปฏิบัติจริงเพราะว่าเวลาของชีวิตไปได้มากมายอะไรเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดา มีอยู่ทั่วโลกทั่วจั ก, กรวาล น, นี่แหละแม้แต่เทพเทเวดาก็ยังจุติเพราะบุญหมดบุญไม่มีบุญหมดแล้วก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่กุลดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่บุญกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำไวด้ดีความจุกความเจริญก็มีมากถ้าทำไว้น้อย เราก็ไม่สามารถที่จะทำกิจให้หลุดพ้นจากกองทุกได้เพราะว่าความทุกข์ของชีวิตของคนเราเนี่ยมีทุกคนทุกกายทุกใจทุกกายทุกใจทุกกายก็คือเก็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ทุกใจก็คือใจไม่สงบ ถ้าหากว่าเราทําใจให้สงบลงไปได้เหลือแต่พุโทโธหรือเหลือแต่ใจอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าเราทําถูกต้องแล้วหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่เทศก็ดีหลวงพ่อวิริยังก็ดีก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นท่านเหล่านี้เมื่อเผาศพเสร็จ กระดูกระกายเป็นพระาธาตุหมดเลยเก็บไว้ไม่ถึงเจ็ดวันเป็นพระาธาตุมดก็เรียกว่าเราทำนี้ถูกต้องแล้วให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไว้ในใจให้นึกพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจเอาส ต, ติตั้งไว้ที่ท่ากลางอกตั้งไว้ตรงนั้นแหละคอยรู้คอยเห็น ค่อยบำเพ็ญไปเรื่อยๆเจ็ดวันก็สามารถบรรลุทำได้มีมรรคมีผลได้ขอให้ทำจริงๆเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านล่วงรับดับขันหรือป่านี้หือผ่านไปแล้วมีมากมายพวกเราก็มาทำตามท่านที่ท่านเทศนาสั่งสอนไว้ ก็เอาธรรมะเหล่านั้นและมาอธิบายขยายความให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทุกคนได้เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นมันยากที่สุดสร้างความดีมาหลายกับหลายกัน ขนาดพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบา ร, รมีหรือความดีให้ทานรักษาศีลเป็นเวลาตั้งนานสร้างบา ร, รมีมาตั้งเสียสงไข่กับแสนมหากับพระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสลู่และก็สอนหลักธรรมไว้เรียกว่าอนุสติสิบมี พุท ธ, ธานุสติเนี่ยพุโทโธไว้นี่มันยากแสน ย, ยากท่านสร้างบา ร, รมีมานานสร้างความดีมานานสาสาเสียสงไขกับแสนมหากับนานไหมก็จะพบคำว่าพุโทโธหรือว่าสัมมาสัมพุโทโธ แหวนพุทธโธนี่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมถึงความสิ้นทุกข์เหนือกองกิเลสทั้งปวงกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เรือพุทธโธนี่มันยากที่สุดสร้างสมความดีว่ามานานแสนนานจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราทําตามเท่านั้นเราไม่ต้องสร้างวลมีนานเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้เทศไว้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราสามารถหาอ่านได้ภาษาง่ายๆอ่านได้แล้วก็เข้าใจเข้าใจในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธโธจึงปรากฏขึ้นในโลกพระเจ้ามหากัปปินะเถระได้ยินคำว่าพุทธโธทั้นเองสลบเลยพวกบริวารก็พากันออกบวชมดลูกเมียก็ออกบวช ด, ด้วยไม่เหลือสักคนพระมหากัปปินะเนี่ย พอได้ยินเขามาพุโทโธตัเองเป็นลมเลยเขาพูดตั้งสามครั้งจึงได้สติขึ้นมานี่คือว่ามันนานแสนนานกว่าเราจะได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้านานมากเราใช้เวลามากถ้าจะเอาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ย ถ้าเราจะเอาอย่างนี้ต้องใช้เวลาสร้างวรมีเสียสงไขกับแสนมหากับเราก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสั่งสอนโลกในธรรมะให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้คนพ้นจากทุกข์ได้สมาธิได้มรรคได้ผล ได้พระนิพานนี่มันปานนั้นแหละให้ตั้งใจปฏิบัติตลอดเวลาเจ็ดวันนี้เราจะต้องทำใจของเราให้อยู่กับพุโทโธให้ได้ไม่ต้องเอาอันอื่นส่วนร้านอื่นมันก็มีมากอยู่ครูบาอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้ก็มีการสอนไปลหลายๆอย่างออสอนอนาปานบ้าง สอนรูปหนอพองหนอบ้างสอนจำมาลาหังบ้างครูบาอาจารย์ดีมากเราก็เหมือนกันยากง่ายยังไงก็ตามให้อดทนเวลาเจ็ดวันนี้เราถวายพระพุทธเจ้าหมดเลยไม่เอากลับไปด้วยหรือไม่เอาไปหนีทางอื่นให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธตลอดไป เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามให้นึกพุโทโธพุธโทโธในใจไว้ตลอดไม่ให้หยุดเดินก่อ น, นึกพุโทโธนั่งก็ น, นึกพุโทโธนอนก็ น, นึกพุโทโธก่อนจะตายถ้านึกพุโทโธได้ก็ไปสวรรค์ได้มัทตะคุนธรีพ่อแม่เป็นคนขี้เหนียวเป็นเศรษฐีแต่ว่าขี้เหนียว ลูกป่วยก็ไม่หาหมอมารักษาเลยปล่อยให้ลูกป่วยหนักไปเรื่อยๆลูกใกล้จะตายแล้วเอาลูกออกมาวางไว้ข้างนอกกลัควคนมาเยี่ยมกลัวว่าเขาจะเห็นทรัพย์สินสมบัติของเราก็เลยเอาลูกเอานอนอยู่ข้างนอกนอกบ้านนะตายแล้วเลียบใสในพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกในเวลาเวลาเช้าเห็นมันท tha คุณธลีผู้ป่วยนี่นอนอยู่พระ อ, องค์ก็ไปวินทบาทไปโปวดเอาให้เขาเห็นเขาก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นเพราะเขานอนหันหน้าเข้าบ้านไม่ได้หันมาทางถนน แต่พระพุทธเจ้าของเราทำแสงว่าบขึ้นด้วยพุทธาบรารมีเขาก็หันวับกลับมาดูเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อมใสมากเลื่อมใสมากตายแล้วไปสู่สุคติสวรรค์อยู่ดาวดึงสอนชั้นดาวดึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โน่นแหละสอนชั้นดาวดึงโน่นแหละนั่น เงินทองเข้าของถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไว้จะ อ, อะไรเป็นที่พึ่งจะ อ, อะไรเป็นที่พึ่งพาอาศัยไปจนถึงพบใหม่ชาติใหม่ให้รับความสุขความเจริญให้มีมากมีผลเราโอกาสดีแล้วพวกเรานี่โอกาสดี อีกร้อยคนพันคนยังไม่มีโอกาสเหมือนพวกเราพวกเราตั้งใจมาปฏิบัติหวังความสุขความเจริญในธรรมของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมพุทธโธให้ว่าพุทธโธอยู่เรื่อยๆว่าพุทธโธอยู่ในใจเราคิดนึกพุทโธอยู่เราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้เราทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ พอเรานึกอยู่ในใจเรานึกอยู่ที่ท่ามกลางอกให้ใจของเรานี่สงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่แส่สายไปหาอารมณ์อื่นตั้งเที่ยงตั้งมั่นต่อการปฏิบัติไม่ให้ถอถอยเพราะเวลาเรามันน้อย แต่ว่าเจวันก็สามารถบรรลุทำได้อยู่ถ้าตั้งใจปฏิบัติและบุญกุศลวารามีที่เราสั่งสมมาถึงไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามเรามาตั้งใจปฏิบัติก็จะได้เห็นธรรมอย่างน้อยที่สุดก็เห็นสมาธิเกิดขึ้นส่วนมากผลก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ละคนถ้ามันถึงแล้วก็รู้ว่าเราถึงแล้ว เราก็รู้อยู่ในใจเราให้พากันตั้งใจปฏิบัติกำหนดพุทโทพุทโทไว้ในใจนึกพุทโทพุทธโทอยู่ในใจไม่มีใครมาเห็นเรานึกอะไรทำอะไรเราทำอยู่ภายในของเราตาเรามองที่อื่นก็ได้แต่ใจเรานึกพุทธโทอยู่อย่างเนี้ย ใจร้องเราก็สงบได้เขาตั้งเที่ยงตั้งมั่นได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่คิดนึกสงสัยไปตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจมั่นอยู่ต่อพุทโธพุทโธนี่แหละเรายืนอยู่นอนอยู่ก็นึกพุทโธคนที่อยู่น้องหานคนหนึ่งลูกเต้ามีแต่ใส่จูด แต่งตัวดีทั้งนั้นแม่ก็ป่วยหนักทุรนทุลายอยู่ในโรงพยาบาลพอดีอัตมาก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ยายคนนั้นก็ทุรนทุลายลูกเต้าก็ช่วยไม่ได้เขาจ ะ, จะเตรียมสิ่งเตรียมของที่จะเอาศพไปแล้ว เอาดูอาการของคนเตรียมสิ่งเตรียมของไว้แล้วพยาบาลเลยมานิบนอัตมาไปอัตมาก็ไปไปดูเขาบอกว่านึกพุดโทรได้ไหมเองนึกพุดโทรดูพอเขานึกพุดโทรที่นิ่นกบบนก็วายอนยะู่น่ะหายไปเลย ได้กลับบ้านมาอยู่หนองหานสามวันก็ตายนั่นแต่ตายแล้วก็ไม่ตกต่ําำล่ะคนที่มีพุทธโธอยู่ในใจนี่ไม่ตกต่ําไม่ลำบากมีแต่ความสุขทางใจเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยปฏิบัติไปคนที่เคยมาปฏิบัติแล้วก็ ปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปอีกคนที่มาใหม่ก็ให้เข้าใจเข้าใจว่ากว่าจะได้เป็นพุทธโธนี่ยากแสนยากให้เข้าใจอย่างนั้นเวลาของชีวิตก็เหมือนกันเรามาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่ถึงร้อยปีก็ลบมหายตายจากกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้น การที่พวกเรามาปฏิบัตินี้ยากง่ายอย่างไรก็ตามให้ตั้งใจต่อพุโทโธพุโทโธนี้ไว้ตลอดเราจะสามารถพ้นจากกองทุกได้ธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาไม่ประกอบด้วยสถานที่มันจะบรรลุมรคนได้ตอนไหนมันก็รู้ตอนนั้นว่าเราได้บรรลุ มีมากมีผลขึ้นมาแต่ถ้าว่าเราไม่บรรลุเราก็รู้ว่าเรายังไม่บรรลุยังไม่เห็นธรรมของพุทธเจ้าผู้บรรลุเป็นพระอิบุกคนชั้นต้นคือโสดาบันก็เริ่มต้นจากฝึกหัดจิตให้สงบเป็นสมาธิเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาวิปัสสนาต่อแต่อันลับแรกนี้ต้องหัด ใจให้อยู่กับพุทธโธให้ได้ อ, อให้ตั้งมั่นอยู่กับพุทธโธตั้งไว้ตรงไหนตั้งไว้ที่ท่ามกลางอกตั้งไว้ที่ท่ามกลางอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแหละหลวงปู่เทศท่านพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งการฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทธโธทักษะเทศไว้อย่างดีเลยอม พิมแจกในงานบุญอายุของท่านท่านแต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาการฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทโธก็คือนึกพุทโธในใจแหละอนาปานั้นสติคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีสอนมากหลายที่หลายแห่ง แต่ผู้สอนผู้โทรนี่มีแต่หลวงปู่มั่นมาจนถึงพวกลูกพวกหลานอัตมายอยู่ในฐานะหลานหลานลวงปู่มั่นตั้งแต่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจิตใจของเราก็สบายสงบอยู่เป็นสุขไม่รุ่มร้อนด้วยปัญหาต่างๆ อะไรจะเกิดก็ช่างอะไรจะดับก็ช่างขอให้เรามีความสงบทางจิตไว้ให้ดีให้มีอารมณ์เป็นหนึง่งไม่คิดนึกสงสัยไปไหนตั้งใจแน่วแน่แนต่อพุทโธตลอดเราจะทำอะไรก็ตามก็ให้นึกพุทโธพุทโธไว้อย่าถอยอย่าว่าพุทโธเป็นสมถะมีปัสนาจึงเป็น ปัญญาเป็นทางพ้นภูมิไม่ใช่เป็นสมถะหรือเป็นนิพพานนะ่ะเน่ยมันไม่ได้พูดเราเองมันเป็นของมันเองเวลาเราทำนี่แหละมันก็ค่อยเป็นค่อยไปขึ้นมาก็ดีขึ้นม า, มนนมาพุโทโธก็ทำใจให้สงบพอทำใจให้สงบแล้วก็สามารถที่จะพิจารณากายได้ทันทีเาไม่จำเป็นต้องมาสอนนิพพสนอีก เพราะว่าเรารู้เห็นแล้วว่าอุตโทนี้มีอยู่ในใจของเราทุกคนให้ตั้งใจรักษาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดอบรมให้ตั้งใจปฏิบัติตลอดเวลาเจ็ดวันนี้ให้เราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งให้ได้ก็จะได้ความสุขความเจริญ เหมือนครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ล่วงรับดับขันไปแล้วแล้วก็ที่ยังมีชีวิตยอยู่คือหลวงพ่อวิริยังวัรร ม, มงคลเป็นลูกศิษย์เป็นอุปถากของหลวงปู่มั่นท่านสร้างวัดอยู่ในกรุงเทพหลวงปู่มั่นบอกให้ไปสร้างวัดหลวงพ่อวิริยังก็มาสร้างวัดรรมงคลมีหินดยกมีอะไรต่างๆเยอะแยะ ท่านก็บริกรรมพุทโธเหมือนกันภาวนาพุทโธเหมือนกันพอมันจะบรรลุมันก็บรรลุมันไม่ได้บอกเราเออจะบรรลุก่อนไม่ใช่มันไม่เป็นงั้นมั น, ร, น, มน ร, รู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริง ใจิตใจของเราอย่าให้มันวันไหวให้ยึดพุดโทโธไว้ให้มั่นคงนึกพุโทโธไว้ทำความภาคความเพียรไว้ทำความสงบใจสงบกายระวังตั้งใจให้ดีระวังให้ดี เดี๋ยวเรากำหนดปับป๊บปพุทธโอพุทธโอมันก็หายวับไปเข้าไปไหนก็ไม่รู้ใจเราอย่างนั้นไม่เอาต้องให้อยู่กับพุทธโออย่างเดียวจะแก่จะหนุ่มก็ไม่เป็นไรใครแก่ก็แก่ไปใครหนุ่มก็ยังหนุ่มอยู่อืมคนสวยก็ยังสวยอยู่คนไม่สวยก็ยังไม่สวยอยู่อย่าไปสงสัยมัน ในเรื่องชีวิตจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปจากโลกนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าถึงร้อยปีก็ถือว่าโชคดีนี่เราจะไปจากโลกนี้ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจได้ไปสวรรค์ได้มีความสุขถ้าได้มากได้ผลก็ยิ่งดีขึ้นไปกว่านั้นอีกละเอียดละออขึ้นไปอีกจิตใจของเราจะมีความสุขมาก เราจะหาความสุขแบบไหนมาให้ใจของเรากินลืมพูดคิดอะไรต่างๆเราได้อาหารการกินอะไรมากินดีๆเราก็ตายไปธรรมดาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตใจของเราให้มีสมาธิและมีมรรคมีผลใจเราก็จะมีความสุขเราฝึกหัดสมาธิก็เพื่อหาความสุข ทำให้ถึงความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เราก็ตั้งใจปฏิบัติตามยากง่ายยังไงก็ตามขอยตั้งใจปฏิบัติพวกเราจะมีความสุขความเจริญแน่นอนถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดให้มันอยู่ท่ามกลางอกเรานี่แหละไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องว่า พูดโทพุทโทอยู่ในใจไม่เกินเจ็ดวันจิตต้องสงบแน่นอนถ้าผู้ตั้งใจทำตามที่อธิบายมานี้จะได้รับความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจกันทุกคนถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี